การทำก็ได้การวางธรรมก็คือการบอกการสอนเรื่องปฏิบัติต่อขายต่อใจให้ปฏิบัติตามคําบอกคําสอนว่าพระพุทธเจ้าก็ได้สอนเรื่องนี้มา 2 6 0พปีให้ปฏิบัติต่อกายต่อใจถ้าปฏิบัติถูกก็เกิดมรรคเกิดผลเป็นพระหันเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางของเรื่องกายเรื่องใจ ก็ไปบอกไว้สอนขาอยใจก็ไปสู่อบ า, ายเป็นเปตเป็นสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นทุกข์เป็นโทษต้องตัวเองและคนอื่นจริงอื่นวัตถุอื่นจริงเป็นเรื่องรีบด่วนชีวิตเราที่เป็นเพื่อนเคยเจ็บเก็บตายด้วยกันนี่ เป็เรื่องรียบวนว่ากกลัวเรื่องอื่นปล่อยกันที่ยงมาได้ปล่อยให้คนทุกข์ปล่อยให้คนโกรธไม่ได้ปล่อยกันที่ยงมาได้เหมือนกับแม่พ่อแม่เห็นลูกกาลังจะตกบ้านรีบดึงไว้ชากไว้เก็บปวดบ้างไม่เป็นไร ว่าแต่ปลอดภัยมากกว่านั้นลูกไม่รู้อะไรเพราะมีความปลอดภัยจากพ่อมแม่ที่ดูแลชีวิตของเราบางทีเรื่องที่เกิดปรวัติกำจายนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับเด็กๆ เ, เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่รู้ต้องบอกกันต้องสอนกัน หรือว่าเรื่องคอขาด่าตายก็ได้วิธีการบอกการสอนว่ามีวิชากรรมฐานฝึกกรรมฐานวิชากรรมฐานจะได้สอนตัวเองเรียนรู้จากตัวเองจากคํำสอน ควสอนอะไดที่สอนให้ทําเองนั่นหนะเป็นสัจธรรมความสอนอะไดที่ทําให้บอกให้ไปพึ่งอันอื่นไม่ใช่สัจธรรมสอนในคนที่ถูกสอนเอาไปทํามันจึะเป็นหนึ่งเป็นันเดียวกันทํามันหนึ่งอันเดียวกันจ น, น, น, น, นเราไม่กลาย เรามีจิตใจก็เหมือนกันหมดกายใจนี่ต้องเรียนจากครูคือความรู้สักตัวเป็นครูของกายของใจไม่มีใครสอนได้พร า, าแม่กาสอนก็ได้หัวาจาังก็สอนเราไม่ได้อย่างที่เกิดขึ้นกับกากับใจ ผู้ที่มีกายวิจัยก็ต้องเห็นเองมันเกิดอลไรขึ้นสิ่งที่ทำให้เห็นเรื่องกายเรื่องใจคือสติสัมปชัญญะไม่ใช่ลวงตาไม่ใช่ตะโกนบอกความรู้จักตัวที่เป็นเจ้าเรือนเป็นคนดูอยู่แล้ว เราได้เห็นจึงมีวิธีฝึกมีสติไปนใดกายเป็นประจำบ่าพระเจ้าสอนอย่างนี้อะไรเกิดกับกายขึ้นมาถ้ามีสติจะได้ท่วงว่าไรสักว่ากายว่าชีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ก็ไม่ีสติอะไรมันก็จะไปใหญ่ไปไกลเกิดขึ้นอะไรมากมายหลายอย่างเกิดขึ้นกับกายเป็นพบเป็นชาติไปหลายอย่างไหวไกลส่งไปไกลถ้าไม่รู้ผมโง่ไปเลยให้เรื่องไกลเอาเรื่องที่เกิดกับกายไปให้เป็นพพเป็นชาติเป็นจุขเป็นทุกข์ไป ก็ผิดไม่ลงตัวถูกหลอกหลายเรื่องหลายเหลา่าพ็ให้เป็นุกเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นโทษอะไต่างๆแต่ตัวเองและคนอื่นจึงเห็นมีสติเห็นใมวิธีปฏิบัติให้กลับมาที่กายให้รู้จักตัวรู้จักตัว ลงสู่ความรู้จักตัวลงละสู่ความรู้จักตัวอะไรเกิดกับกายแม้มันจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นหนาเป็นปวดเป็นมวยก็รู้จักตัวเห็นสิงที่มันเกิดขึ้นมามาตั้งหลักนี้หลักไม้ไหวหลักอยู่นี่อะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจกับหลักก็อยู่นี่กรรมมากรรมมากรรมมารู้จักตัว ให้อะไรที่มันเกิดขึ้นกับกลับมาเป็นความรู้ชึกตัวกลับมาเป็นความรู่สึกตัวทำอย่างนี้เรียกว่าฝึกกรรมฐานเรียกว่าปฏิบัติธรรมอะไรเกิดจับปิตก็ให้รู้ชึกตัวเหมือนกันจะเป็นอาการต่างๆเรื่องกายเรื่องใจมากมายถ้าเราไมาร่รู้มันก็เป็น ตัวเป็นตนเข้าไปเกี่ยวข้องเป็กูเป็นตูเป็นผิดเป็นถูกอะไรต่างๆถ้าไม่มีสตินะถ้ามีสติจะจบง่ายๆจบง่ายๆลงตัวง่ายๆที่เก่าลงที่เก่าลงที่เก่เาไปไม่ได้้รู้จักตัวเพราะคารู้จักตัวมันเป็นทำที่สุดเป็นใหญ่ที่สุดในะเรื่องกายเรื่องใจ งอกขยายความเรื่ตัวเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในทางธรรมแต่ก่อนมันไม่เป็นใหญ่เป็นธาตุอะไรต่างๆกายใจเป็นธาตุของสิ่งต่างๆมากมายจึงต้องเพิกอย่างนี้เมื่อเพิกอย่างนี้จะกระตือเรือยล้นจะได้ช่วยถึงหยอง รอครอบที่สุดเพราะมันมีเราใดที่หลอกลวงได้ถ้ามีสติเพราะเป็นหน้ารอบปอาใดยาเด้อมันต่างกันเป็นหน้ารลบลูรบ่รอบมาฐานไหนก็ลู่มาฐานใดก็ลู้ใช่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างความลู้จิตตัวเนี่ยเป็นวิชากรรมฐ า, านดี แล้วก็สามารถสร้างให้มีให้มากขึ้นได้จากกรรมฐานผู้แขนเข้าอย่าแขนดอกโดยรูปแบบที่มันตรงตร ง, ตรงจริงคือหลงปูเทียน14จังหวะทุกวินาทีก็ว่าได้14จังหาะ14รูรูอู่รูเอา่รูอู่ ควรู้จักตัวที่เป็นรูปแบบของสิบสีจังหวะมันผ่านแลยจะแยกกว่จะมานรู้กาะมาผานแบบปานเคลื่อนไหวมันผ่านเลยมากๆงานลงที่ความรู้นี่ผ่านเบนผ่านกลับผ่านผิดผ่านถูกผ่านฉุกผ่านทุกข์ผ่านชีวิตที่มันเป็นมาไปเป็นมาต่างๆก็จะผ่านมาลงที่เอง เห็นก็เป็นแม่เป็นคนดีคนชัว่วเป็นคนมีบุญมีบาปอลไรอยนะ่ถ้าหมดลงที่ความรู้จักตัวเนี่ยมัจะเป็นหนเดียวกันหมดจึงไม่มีอะไรต่อหลองมาตรงตรงมาตรงๆรงมาถึงความรู้จักตัวตรงๆรงถือว่าถ้าใครได้ทำดังนี้จะได เห็นตั t เองทุกแค่ทุกหนุนตที่สุดความหลงโชว์ออกความหลงความโชขึ้นมาความหลงความโลภโชขึ้นมามีความหลงก็มีความทุกข์โชขึ้นมามากมายหลายอย่างที่ทำให้เราได้เห็นมัน ได้รู้ฝึกอย่างนี้ฝึกอย่างนี้สอนตัวเองอย่างนี้เลี้ยงจากสภาวะที่รู้อย่างนี้อย่าปล่อยตัวเองทิ้งอย่าปล่อยกายทิ้งอย่าปล่อยใจทิ้งให้เป็นอันอื่นก็ปล่อยให้เป็นอันอื่นมันก็มีมากมายโดดไปนี้วิ่งไปโดดไปนี้คืนเปนความกลางวันเป็งเปลว มุ่มุ่นคนคิดปล่อยเป็นโชคปนทุกข์รควคิดก็มีเยอะแยะปลให้เป็นโชคเป็นทุกข์พรตาเห็นลูกหูทียินเสียงจะโบกได้ต่นด้นในรถกายจัพัดมีเยอะแยะด้งไปพเลยกายก็เลยเป็นธาตุของช่ี้ข้าของอาการต่างๆลอกใช่เพรามีความรู้สึกตัว่อย ต่อที่ก็เปลอเพื่อนไปบวชต่อใจเปลอเพื่อนไปบวชเลยผู้ที่มีสติถ้ามันเพื่อนมากๆก็ยิ่งได้ประสบการณ์มากได้มีประสบการณ์มากเขินทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดกับนากกับใจเพรใช่ผิดๆมาก็ยิ่งจะดีสนุกต่อคนที่ไปเผลอเพื่อนมากก็ อาจาจะสะดวกสบายแป้วสุขปฏิปทาปฏิบัติสะดวกรู้ง่ายง่ายเงินพระอรหรันตัดจัจะรู้บรรลุธรรมเร็วพันมีหลายรูปปงผมเห็นผมตกลงมาไปีเขีขาวๆหรืบรรลุธรรมล้วเพียงแต่เห็น ท่อนจุง่งไหลเหมือตามลำท่อนบางท่อนติดฝั่งซ้ายบางท่อนติดฝั่งขวาบางท่อนล่องไปไม่ติดฝั่งไหนบัตรู้ทำแล้วเห็นไปไม่ร่วงปัตรู้ทำแล้วแต่ผู้ที่เปื้อนมากมันก็ไม่ง่ายไม่มีเห็นอย่างนั้นเป็นไปเลย สุข ก, ก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์มันเพื่อนมากถ้าเป็นอย่างนั้นโกรธก็เป็นความโกรธโลงก็เป็นความหลงลักก็เป็นความลักคนเปรื้อเพื่อนแล้วก็ต้องขยันได้รู้ได้รู้ได้รู้ได้รู้มากมากมันจะเกิดอะไรก็เกิดรู้รู้นี่นี่หรือว่าปฏิบัติตามตามคำสอนของพระพุทธเจ้า มีอยู่แน่นอนอยู่ที่ตัวเรานี่สิ่งที่เราหลงพระพุทธเจ้าไม่หลงสิ่งที่เราทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ทุกข์สิ่งที่เราโกรธพระเจ้าไม่โกรธไม่อยู่นอกจากพระเจ้าแล้วก็มีเหลาก็สาวกประรหลังจะมาถึงบรรพุลุษยผูอาจารย์ผู้ชนใบุคคลมีในโลกนี้ แล้วมาพ่สุจกันดูเหจริงอย่างไร อ, อย่างสรรเฉิญพวกเรออยู่ว่ามารับผิดชอบเรื่องนี้มีทั้งผู้เท่าผู้หนุ่มผู้ปานกลางางสรรเฉิญอยู่มีทั้งวาสุกมีทั้งวาสิกาพ้าสงนักบวชหรือวาเจ้าจมเนสิงที่ ก็จะมีหวังถ้ามีความรู้สึกตัวเปลี่ยนสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจให้เป็นความรู้สึกตัวมีหวังที่จะพึ่งกันได้เป็นที่พึ่งกันได้โลกก็จะมีที่พึ่งสิ่งอื่นวัตถุอื่นก็จะมีที่พึ่งเกิดจากคนคนหนึ่งถ้าฝึกหัดพอ สิ่งที่ของเรามีมอามีหูมีจบุตรด้วยกันใจมีกายมีใจมีหามีแขนจะแสดงออกในทางดีความดีความถูกต้องวันช้ก้อนดินก้อนหินถ้าเป็นความดีเกิดขึ้นกับคนถูกใช้ชีวิตถูกต้องแล้วมันก็มาอยู่ที่คนมาอยู่ที่ อ, อื่นๆ ทำเหมือนเพื่อนขัดความไม่ดีไม่ชอบอยู่ที่คนเขาเกิดความไม่ดีเกิดกระทบกระทืนต่อจนเกิดเรื่อยปไปแม้ตัวเขาเองก็พึ่งตัวของไม่ได้จำเป็นต้องรับ1จากเราทุกชีวิตให้ความร่วมมือกับทำรรไม่ทำเราลบเพราะทำลบด้วยเจ้าเขารบเพราะทำ ได้เปนมาเร็วด้วยกำลังเปนอยู่ด้วยและจะเป็นตปด้วยเพราะธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนั่นเองทำไม่ได้หรือพวกเราผมหลงไม่เป็นธรรมผมไม่หลงเป็นธรรมพระเจ้าเคารพผมเป็นธรรมความไม่หลงความโกรธไม่เป็นธรรมผมไม่โกรธเป็นธรรม ผมทุกข์ไม่เป็นธรรมผมไม่ทุกข์เป็นธรรมนี่เรบาบอกขอรบ ป, ประทรมปฏิบัติธรรมธรรมไว้ในเมาธิใเปลี่ยนร้อยเป็นดีอย่างนี้มีให้เปลี่ยนมีงานให้ทมอยู่เกิดอะไรขึ้นห่ะเวลาเราเปลี่ยนร้อยเป็นดีมันไม่แช่นั่นมันเกิดอลไรขึ้นมามากกว่าเสื่ิมถึงสมาธิเป็นปัญญา เป็นยานเป็นชานอย่างลูกเป็นมรรคเป็นผลเกิดตรงนี้เกิดแบบนี้หิงเกิดแบบนี้สมาธิเกิดแบบนี้ปัญญาเกิดแบบนี้วงคลก็เกิดอย่างนี้ไม่ใช่ออนอืไมาเป็นวงคลประตูป่อเครื่องอันต่างนั่นเป็นหนึ่งอันหนึ่งวงคนอันี้เป็นวงคลจริงๆจเจริญ มีความชอบธรรมองอาจผู้มีชินอยู่ที่ใดก็สังหาลาศีไม่มีอะไรชิ่แต่งแข่งใจพอที่สุด ต, ต้องกายทั้งใจตำรวจดูีวิธีผาบมาร์หวังให้เป็นเครื่องทุนแรงทำให้ถ้าเรามีชีนเป็นเครื่องทุนแรง เรื่องตอบตนุนเหมือนเรื่องโยนคนก่อยงามควาดีเหมืนช่วยทำช่วยทำยอมรักษาผู้พึดทำอยู่เป็นนิดทำก็ยอมรักษาผู้พึดทำให้ตกไปในที่ชัว่วประมาณ น, นี อนนี้สงจ์อยากเราเปลี่ยนร้าเป็นดีที่เกิดกับความกับใจนี่มันใช่อยู่ที่กายใจอย่างเดียวกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นเกิดขึ้นมากมายถ้าเราไม่มีเปลี่ยนร้ายเป็นดีไม่มีดีชุดแหน่งเฉยใจหมายใช่สมณนะร่างตนว่าเป็นสมณนะ อาใช่ผู้พฤติตทำก็อ้างตัวเองว่าเป็นผู้พฤติตทำจนเขาเน่าไนเปีนนนเยกแขะเหมือนบาะที่เทขยะมูลปลอยปกปิดสนเล่นอายาฉาไถยนกอะไรต่างๆที่มันไปเพื่อนเส้าหม่องเองงทำบาปเงงเส้าหม่องเองงไม่ทําบาปเงงก็หมดจดเองของเส้าหมองขอมหมดจดเป็นของของตัวไม่มีใครเห็นตก คนอื่นไดหลอกได้แต่หลอกแรก็หลอกไม่ไดนจัเป็นมากๆเรื่องหนึ่งชีวิตของเราที่เกิดมานี้มันได้กายไดใจมาหนึ่งต้องให้ได้ประโยชน์จากกายจากใจที่เป็นลูกเป็ น, น้นามนี้มันได้เกิดมากเกิดผลได้จริงๆเป็นประโยชน์ต่อโลก เป็นประโยชน์ต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อ ร, รมเป็นประโยชน์ต่อภาษาศาสนายิ่งใหญ่เหมือนกับพระเจ้าเลินพระรูแจ้งโลกรู้จริงๆ ร, รู้เรื่งนี้จริงๆเดินความจริ ง, งจริงๆความหลงไม่จริ ง, งจริงๆความไม่หลงจริงจริงทำไมจะไม่รู้ ใครหลงก็เหมือนกันจริงๆใครไม่หลวงก็เหมือนกันจริงๆใครทุกข์ก็เหมือนกันแต่ใครไม่ทุกข์ก็เหมือนกันคนกับคนไม่ทุกข์กับคนไม่ทุกข์คนทุกข์จะให้เป็นเหมือนกับคนไม่ทุกข์เป็นไปไม่ได้ธรรมบาปแรงย้อมเศร้าหมองแรงสุนทรัมของตัวของใครของมันถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้เรามันจะปล่อยทิ้งกันมาได้ สาธุโล้นขนขวายเมตตากำลาออกล่าเหมือนเครื่องมือไม่อิ่มไม่พอการช่วยคนเนี่ยไม่ดูจากเท่าจากแกหรอกไม่เลยจะเก็บจากตายดอกควงช่วยคิดจะช่วยค น, เ, นยเพราะเรื่องนี้แล้วปล่อย ก, กันเก็บทุกข์พราความเก็บอย่างไรแล้วปลอยให้กันทุกขเก์เพราะความตายอย่างไร มันไม่ต้องทุกข์หวามเกลีไม่ต้องทุกข์หวามตายความไม่ทุกข์มันมีแล้วไปโองให้เสียใจยทำไมเช่าหมองอะไรมันหลอกควกามรู้จักตัวมีอยู่เฟื่องกระวายเฟื่องกระวายแล้วก็มีโอกาสจังยิ่งชิงเรียนอม ประเทศชาติบ้านเมืองเรามีวัดว่าหลอมมีศาสนาลงทุนมารอมกันนัแต่ปู่ย่าตายายคนพค่อคนแม่เรานู่นเป็นมาแล้วได้เป็นมาแล้วต่อยอดคนเราาต่อยอดอยาได้ปล่อยทิ้งใชะ อย่าได้ให้มันจะผ่านอันรี้ขาดลงต่อไว้ต่อไว้รับผิดชอบตัวเองอย่าปล่อยเองเทิ่งคาวใดเวลามันหลงอย่าปล่อยความหลงไว้ในการาจารย์ให้เอาความรู้ไปจส่เทนความหลงความหลงได้ความรู้ให้ความทุกข์ได้ความรู้ อร่อยที่ไม่ดีเคกิกวกกวาดใให้เป็นความรู้สึกตัวให้ทำอย่างนี้มาต้องมาทำอย่างอื่นเราก็มาอยู่วัดว่าลานแล้วเป็นนักบวชเป็นคราวาสบวชทางจิดใจดำรินี้จากความชั่วจะว่านักบวชเอาผูใ้ใดดำริหนีจากความชั่วชั่วว่าเป็นนักบวช ความช่วไม่เท่าไหร่พยามนี้พยามไม่ทําพยายามงดเว้นความดีไม่เท่าไหร่พยายามทำนะได้ว่านักบวชปว่ชชาช้าแต่ว่าผู้บวชนักบวชที่เป็นรูปทําไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึงแต่คนธรรมเกิดเหมือนกันหดถ้าเป็นนักบวชจริงๆเกิดเหมือนกัน เนบุญก็ได้บุญเป็นพระก็เป็นพระเหมือนกันพระทางใจวู้บชเซิดเป็นผู้บวชเซิดทางคิตทางใจทางกายไม่เศร้าหมองมีศีนสงาาส่าราศีไปอยู่ที่ใดก็ไม่มีปมดอยไม่กระทบกระเทือนผู้มีฉินเป็นอย่งนั้นแต่ผู้ไม่มีศินก็จะ จะมีความไม่ชนะลาสิจินตนาจารชายเห็นบาดตัวเองเห็นความชั่วตัวเองปิดไม่อยู่กบกันไม่ได้ชิมแทงตัวเองนะว่าความบริสุทธ์น่มันหมดจดจากเครื่องสองมองเนี่ยมันเป็นควา ม, มจันจริงๆสะอาด พึ่งพาใส่กันได้โดยพวกเราเกิดมาล้อมชาติเราขอให้เป็นที่พึ่งได้นให้วริสุดจะได้พึ่งการมาทิ้งให้ปล่อยมาทิ้งการหนคนคนเดียวกันหมดให้มองไปอย่างนั้นก็ยังดงีมองฟังเสียงทุกเสียงหมืนเสียงฟ้าชวดวยมน คนทุกคนไม่เหมือนพระพุทธเจ้าองคนปั่นคนมีธรรมะเป็นอย่า ง, งนั้นแม้เขาทุบเขาโกรธเขาไม่ดีก็ยังมองมีหวังว่าเขาต้องเป็นคนตีวันนี้ไม่ดีพวกนี้อาจจะดีนี้หวังอยู่พวกนี้ไม่ดีเดือนหน้ามันอาจจะดี เรเดือนหน้ามันไม่ดีปีหน้าอาจจะ ด, ดีแต่ปีหน้ายังไม่ดีปีชาติหน้าอาจจะ ด, ดีมองไกลๆ ย, ย, ยาวๆเว้ยมันจะเป็นที่ลาบเป็นที่ลาบคนจะไปถูงมรกถสกผลต้องทำกิจแบบนี้ลอดลาดไม่ใช่ไม่ใช่ใชหน้าผาชีวิตเป็นหน้าผามองอะไรผูู้แผบแผล ชีวิตที่เป็นเกิดมากเกิดผลตกลาดเหมือนทางขึ้นเขาตกล่นลาดเหมือนหากตําผ้าด้วยเขา่าพวกหักไม่ได้ชีวิตของเราต้องกตน้นสอนตนหนึ่งทําหลายอย่างจนไดลร้องมองแง่ดีตัวเองเกิดเลยขึ้นมาก็อย่าไปรีบปิดฝองซ้ายฝังขวา พอใจไม่พอใจอย่าไปอยู่แบบนั้นให้เป็นเาผัสเหนือรู้รู้จนตางรู้จักตัวเราฝึกไปแ ล, Ins, ล้วรู้จักตัววันทุกข Been Been ์ก็รู้จักตัวมันทุกข์ก็รู้จักตัววันหลงก็รู้จักตัวมันลงกกตัวันรู้ก็รู้จักตัวมันสงบก็รู้จักตัววันรุ่งสานก็รู้จักตัว มันบู๋เนาะก็วันสุดมันสุดมันทุกข์มันทุกข์มันไม่เบากันหนักมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไม่เป็นมรรคเป็นผลไม่เป็นไม่เป็นมรรคเลยมันสุดต่งสองฝั่งมันลดของโลกแบบนั่นแหละโลกมันมีลดแบบนั่นหลายความพอใจความไม่พอใจเป็นลดของโลก ภาษาเลยว่าอิทธาลมอารมณ์ที่ชอบอดิธาลมอารมณ์ไม่ชอบมันเป็นรถของโลกแล้วใครอยู่รถของโลกเ่ยเวียนว่ายใจเกิดกนที่อยู่เหนือโลกก็ออนมาอย่างนี้ใ่ตรงกลางฉันสุข ก, ก็ดูเนี่ยมันทุกก็ดูเนี่ยจนกลางหรือดูเนี่ยจนมรรคตะมันทางผ่าน ท้าอยู่อย่างนี้ถึงนิพพานพิบก็รู้ดูกก็รู้สงบก็รู้พุ่งช้อนก็รู้นี่ทางไปนี้ทางเดินทางชีวิตไปสู่มรรคสุผลไปใช่ไปที่ไหนประเทศใดอยู่ที่กายใจของคนเราหนี้ของตัวเราหนี้ไอ้ฝวกอย่างนี้ มันมีให้เฝืกความถูกไม่ให้เฝืกความผิดมีให้เฝืกความจบมีให้เฝืกความทุกข์มีให้เฝืกให้เป็นภาวะที่รู้ถ้าเปนภาวะที่รู้กรรมฐานอย่างนี้กรรมฐ า, า, านจักจิตอย่างนี้มาอย่างใดก็เป็นอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าตัวไปตัมาเห ม, มือน มยิงชนูมาใส่การรปนดอกไม้บูชาว่าถึงเขาดินทาก็ูต่อสนเสรสิญก็ดูอย่างนี้ให้ฝึกาจากนี้นอกจากยกมือเคลื่อนไหวมันมีให้เราฝึกหลายหลายแบบในข้าวเดียวกันมีการศึกษาในขาวเดียวกัน ในความหลงกในความไม่หลงในคราวเดียวกันไม่ใช่คนละคนละคนลอย่างในความทุกข์ในความไม่ทุกข์ในคราวเดียวกันจะเป็นปฏิบัติปฏิญาตปฏิเวทคนในคราวเดียวกันปฏิญาตก็คือรู้ปฏิบัติคือเปลี่ยนสิ่งที่ไม่รู้ให้เป็นความรู้เมื่อเปลี่ยนแล้วก็มีปฏิเวท เชื่อมันหลงรู้พ้นจากหลงที่ว่าปฏิเัธในคราวเดียวกันไม่ใช่ไปหว้ลิยาตกับอ่านตำรบตำราประชอบเป็นภาคปฏิบัติเขียนถูกข้อสอบออกมาเขียนข้อสอบถูกได้ผ่านได้เลื่อนเป็นนักธรรมชันตีชั้นโทรัันเอก ยนได้ว่าปฏิเวทยียนจบนักทรรมถามว่าผุงจบแล้วนักธทำได้ไปประกาศมาห้อยฝาแตยังที้โกธที่โลภที่หลงยังจุบุรียั ง, ยงตองชั่วอยู่ไม่ใช่ปฏิเวทไม่ใช่จบนักธทำไม่ใช่จบนักทมไม่เอาวัตถุอันเดินมาเป็นกําหนด ผู้จบน้องทมหมายถึงปีปฏิเวศพ้นจากบาปอุศลสมัยก่อนนั้นมีพระหรันจนว่ายเป็นพันไม่มีหนังสืออ่านอ่านเลียนจากกายจากใจเรานี่พระเจ้าวันนี้ผ่านไปแล้วต้องหลายร่อยปีจึงมาเขียนห น, นังสือ ขึ้นมาเ้วจะมาเรียนสำเดิดประมหาชำนาญเจ้ากองพระยาวะขี้ระยาด้อหลวงรถเป็นผู้ร้อยกองมาให้เรียนเป็นหลักสูตรแต่ก่อนไม่มีจัดเป็นหมวดเป็นหมูหม่หมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสาหมวดสีเป็นธรรมและธรรมชนตรีก็เรียกว่า ทำมวิภ า, าคปรเททิทรทาาปรเสธ ท, ท, ทออี่หนึ่งถ้าทําช่นโทวทำให้ภาคปริเสธที่สองถ้าทเชนเอก็น้องสืออะไรนะยำอะไรอภิจมาจย์หนึ่งย็นับ้วเจ็บเรียนจรรยเจบ <c oughs> จนปเปลี่ยน9หรือว่าจบมาเจออันนี้มาสมมติปัญญตัตเรียนกันขึ้นมาแต่ท่านเรียนได้มาปฏิบัติตามเช่นเจ้าคุณพุทธธาสต่อยนืนข่าวว่าคนกรุงเทพมีพลัหงานเกิดขึ้นปีละหลายรูปหลายคนเรียนจบปเปลี่ยนเก้า ก็แบบเป็นราหารมาเรียนไปเรียนประเรียนทำไปเรียนไปเรียนไปเรียนสามจบไปเรียนสามไดปเรียนสามประโยคจบเรียนจีได้ได้กลับกลับบ้านไปสร้างวัดโมกอ๋อจึงไปไปดูเรียนมาอ่าน แม่ออกมาหโยมามาลงมาปฏิบัติแตกฉันเสกพระาสดาจนเป็นผู้ยิกใหญ่ในประเทศไทยคือเจ้าคุณพุท ธ, ธาดเรียนแล้วมาทำปฏิบัติแต่นักศึกษาธรรมบ้านที่เราสามอยู่นี่พอเรียนสามประโยคแป่ให้เราสวดธรรมบ้านี่ สมัยนั้นก็มีปเปลี่ยนเก้าประโยชน์แปลสองสองแบบปเปลือนเก้าปลคนไม่เอาเลยปเปลี่นสประโยกน์ปนั่คือธรรมบัจจุลมนต์เหมาะชบที่จุดไรเลาะที่จุดปเปลี่ยนเก้าแปลเอามาไม่มีใครเอาเลยสมัยล่าสุดผู้ที่ เรียนรู้เราก็มาปฏิบัติตวนมาเป็นของสอนที่ยิ่งใหญ่ทุกวันนี้เราก็ลมาปฏิบัติเราก็ลมาต้องตัวหนังสือก็อยู่ในเรานี่แล้วจะเป็นรวัตรเกิดมรรคอยู่ในเราเนี่ยเลยรูป ก, ก็ไม่เที่ยงคือรูป ก, ก็หนึ่งไม่เที่ยงเจชนะไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยงังขารไม่เที่ยงวิญญาณหม่เที่ยงเห็นไหนไมไหมขี้ข้างขี้หุนห ล, ลงกี้ข้างขีห้หุนทุกขี้ข้างขีห้หนมันเป็นตัวเป็นตนจริงไหมมันเป็นอย่างไรวนนี้ก็ไปทำวัดที่วัดพุกทองเห็นคนมาจอมสิ้น กือบจะลืมไปก็ไม่หวังคนนะไปพบก่อนนานทํำงาจึงลืมเพราะเหมือนเจอเทา่าตัวเราก็เจอเท่าคนดิมก็เจอเท่าไม่เหมือนเก่าหมันก็เป็นอย่างนี้หมังตามมานี่หลวงพ่อมาที่นี่เปนคนทักท้วงหลวงพ่อหอมลงหลวงพ่อหอมลงมันก็เจอเท่าลงชีวิตขอลง มันลงนะมันลงเขามันแป๊บกระเดียวลงไปเลยเห็นการเพียงเดือนสเดือนก็โอ้ลงพ่อผมลงนะาก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ผมใช่ไีมต่อไปจะเหลือใจกระดูกสังหุ้มกระดูกไม่ด้เป็นอะไร้าก็ฉันอยู่ม่ใช่ฉันไม่ได้ฉันอยู่แต่ไมาฉันแล้วมันไม่เจ็บ ไม่เหมือนคนหนุ่มคนหนุมฉันแล้าหมืนเจ็บเป็นไขเหมือนอันนี้มาไม่เจ็บถ้าเหมือนเจ็บมันอันตรายมันแก่เนี่ยมันอันตรายมันเป็นตธรรมชาติมันสร้างสรั์ไขเหมืนสร้างเนื้อสร้างเลือดอันตรายลิ้นเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้นแก่เท่าท่านั้นมันไม่มีอะไรแปกมันมีสิงอื่นแปลกลรไฝไขั้งเฉยก็ไม่มีแล้ว ไปหาหมอหมอบอกหัวโลไม่มีอะไรไม่มีอลไยไม่มีอะไรแล้วบอกไปนี่ปีเราครั้งนะตัวเบลหาแลเบลจหมอก่อแล้ก็มันไปเป็นอย่างนี้หรือของใครก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ยตัวใช่ตนตายไปแล้วเท่าไรพ่อแม่ก็ตายเป็จแล้วไม่มีใครรูปนี่เป็นอย่างนี้ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดกันแล้วหายไปมีแล้วหายไปเกิดกันแล้วแฉเจบตายไปทูกเนี่ยเห็นไหมเห็นทุกข์ไหมเห็นความไม่เที่ยงไอ้ความไม่ใช่ตัวตน เ, เห็นจากนี้แล้ ว, ว่าตอบได้หมดอะไรเกิดกับกายกับใตอบได้หมดมีสติตอบไปอืมอยางนีาน เอาฐานตอบได้หมดเฉลยได้หมดลงตัวหมดลงตัวที่ควมรู้สึกตัวเห็นเห็นเห็นเห็นไม่เป็นเห็นไม่เป็นเห็นไม่เป็นกับมันมันต้องมีให้เห็นเห็นแล้วไม่เป็นไม่เป็นใหหลุดพ้นหล้วนทุกอย่างชินปกชินชาติปฏิปธรรมอย่างนี้ให้รีบๆสักหน่อยอย่าปล่อยให้หลงในความผิดความถูกเกิดขึ้นที่กายที่ใจ ที่คิดเรื่องอะไรยู่ที่ไหนของลูกของหล่อนนแก็คิดจะช่วยอยู่นะเนี่ยมอย่าปล่อยที่งนะ่ยพวกคนแก่เนี่ยรู้จักเป็นหัวใจของล่เนี่ย <c oughs> นะคนแก่มันกันนะกนหนุ่มนสาวก็เป็นหัวใจของหลาจะจหวัง มัจะเป็นที่พึ่งของเราเห็นพระหนองมาปวดมากๆต่้งแตเชื่ในใจเห็นไม่คีนองซอยอมมาอยู่ก็เชื่อ ใ, ใจแอบสนสันเสนไหนใจอยู่เสมอจ้างดีเหลือเกินดีเหลือเกินมีอะไรทําดีต่อกาดีอีกนอกจากบอกให้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ไม่ ม, มีอีกแล้วเรามาทุกให้รู้แลบไม่ขอให้รู้เลย บอกได้แค่นี้45ชีวปปิตแล้วไม่มีคําสอนนั้นเดิมก็มันก็มีช่องในชีวิตเรานะเนอะแล้ววันนี้ก็สมควรแวก่เวลากราบพระพ่อ